ยกาครอบเส้นในวันนี้เราพามาคุยกับนาตาเลียเปลียแคมดรากเรสคนแรกของเมืองไทยพาไปรู้จักชีวิตก่อนที่จะมาเป็นดรากเรสคนนี้เบื้องหลังความคิดที่ทำให้เธอชนะทุกเวทีและบทสรุปว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสตรองได้อย่างนาตาเลียเปลียแคม ถามเฮียดีกว่าชีวิตตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างถูกเรียนขึ้นมายังไงเพราะมีความรู้สึกว่าเฮียค่อนข้างที่จะเอาอยู่วันนี้เห็นเฮียไปออกรายการตอบคําถามประกวดอะไรก็แล้วแต่คือเอาอยู่อะเฮียโตมาอย่างไงโตมาในครบอบครัวคนจีนที่มีบรรพบุรุษไถลงศพมาอยู่แล้วแล้วก็อยู่แบบคุณพ่อเราแต่งงานเร็วคุณพ่อคุณแม่มีเราได้ยี่มิ๒๐แล้วเราก็อยู่แบบบ้านไม้สองชั้น ซึ่งรวยไหมโตขึ้นมาเนี่ยค่ะโรงศพนี่รวยไหมเออรวยไหมเรามองว่าไม่นะนั่นตอนนั้นคือพ่อเราไม่ได้เป็นทนักแกมเออโทรทัศน์ก็ต้องดูเป็นข่าวดำที่อยู่ก็คืออยู่ในห้องเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่าสตูนี้อืต้องนอนกันแบบหกคนพ่อแม่ลูกสตูนียิบสีกกนนน่เล็กกว่านี้ห้องนอนอ่ะเล็กกว่านี้พัดมีแต่พัดลมไม่มีแอร์โอเคดังนั้นชีวิตเติบโตมากับครอบครัวคนจีนใช่ทำธุรกิจแบบกองศีรษะแล้วก็ ไม่ได้สบายเอางี้ดีกว่าใช่ใช่แต่แต่คงไม่ไม่ได้สบายแต่ก็คงแบบไม่ได้แบบโอยต้องแบบเข็ น, อนเออเราต้องไ่ออกฝันนะที่เป็นจริงอแล้วใช่ อ, อทีนี้ถามพี่ดีกว่าว่าความที่เราไม่สบายในวันนั้นน่ะอะอ ม, มันช่วยให้เราเป็นคนแบบนี้ในวันนี้ยังไงบ้างเออมันมันทําให้เรามันทําให้เราเหมือนจิ้งจกอะ่ะอืก็คือเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆตามสถ า, านการณ์ตา่างๆแล้วก็คือเท่าที่เรารู้มาก็คือพอท้องปุ๊บ ป้าป๊าปมาๆก็แต่งงานกันเลยอ่าใช่เขาก็จัดงานแต่งาตงานก็มาให้อยู่เสร็จปุ๊บก็คือด้วยความเราวิเคราะห์เองนะวันนี้นะพ อ, อรเราโตขึ้นเรื่อยๆก็คือป้าป๊าปมาๆอาจจะแบบวัยรุ่น่ะแล้วยังเป็นวัยรุ่นแล้วมีครอบครัวด้วยแล้วมีลูกเยอะด้วยมันก็เลยทําให้ประสบการณ์หรือวุฒิภาวะในการที่จะบริหารครอบครัวมันอาจจะแบบ ต่างไปมันมีทั้งปัญหาพอแหม่ทะเลาะกันการที่จะต้องหอบลูกหนีไปอยู่ลาบยายการที่แบบเห็นภาพซ้ำๆย้ำ ๆ, ๆวนสุดท้ายพอป้ามาแยกกันเขาก็เอาลูกทั้งหมดไปอยู่กับมา้าเหลือเราคนเดียวที่เราเลือกที่จะอยู่กับป้าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่กับป้าป้าก็ให้อยู่กับมมาดังนั้นเห็นภาพละเมื่อกี้ที่ถามเฮียว่า อะไรในชีวิตตอนเด็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าโตขึ้นมาแล้วเราปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าเราต้องไปอยู่กับหลายที่พอไปอยู่มันเคยคุยกับหลายคนและที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับญาติอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่สามารถอัดแอปได้ทุกสถานการณ์อยิง่งกาเาพูดองี้เลยเพราะว่าถึงต่อให้เป็นค น, นี้ตระกูลเดียวกันนะแต่อุปนิสัยไม่เหมือนกันแล้วครอบครัวรับยังไงกับการที่เรา LGBT เออเอาจริงๆนะเราเราโดนเราโดนครอบครัวถามเรื่องนี้น้อยมากมเขาแคถามว่าสรุปหรือไปอะไรเนี่ยอืมเป็นตุ๊ดเหรออืมนี่ก็ออเปล่าเราตอบแค่ออเปล่าแค่นั้นแล้วเขาก็ไม่ถามหรือบางทีเอาถามเลยลอยแล้วเขาก็ไม่ต้องการตอบแล้วเขาก็เดินไปก็มีอืแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในใจลึกๆเราไม่ชอบให้คนมาแบบมึงเป็นตุ๊ดนะมืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะเราคิดว่าคนที่จะเป็น LGBT อ่ะมันไม่ใช่จะต้องเป็นคนเลวทุกคนแต่ด้วยความที่เขาก็วัยรุ่นแล้วมีลูกเร็วเพราะฉะนั้นการมีลูกเร็วในช่วงวัยรุ่นมันทำให้เหมือนแบบช่องว่างของความเป็นพ่อกับลูกอ่ะมันแคบดังนั้นอายุห่างจากพ่อส<ป>ิบแปดปีสมมติ อ, อ่ะพอเราบอกว่าเราจะเป็นแฟชั่นเนี้ย หรือเราจะไปทําอะไรในสิ่งที่มันมันผิดวิถีของการเป็นรูกผู้ชายลูกคนจีนเขาก็จะแบบเหมือนแบบไม่ ส, สนุกหรือไม่แบบหรือไม่ก็ต้องแบบว่าถึงขนาดแบบว่าบางทีแบบไม่ต้องเรียนแล้วแค่ออกมาขายโรงเลยอืแต่ต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจว่ายุคสมัยณนะตอนนั้นนะ่ะคนเป็นเท่าแก่ได้ง่ายกว่าปัจจุ บ, บันดังนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังกับเราคือการเป็นผู้นํา ใช่คิดว่าคงคงอยากจะอยากจะได้เหมือนแบบเหมือนลูกของบ้านอื่นๆออยากได้เหมือนลูกของบ้านอื่นๆคําว่าอยากให้ลูกเหมือนกับลูกของบ้านอื่นๆทำไมเป็นเหมือนลูกคนอื่นไม่ได้คําเนี้ยถ้าพูดออกไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเจ็บแผลเพราะว่าอาจจะเจอกับตัวเองทีนี้ไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นมึงเป็นลื้อเนี่ยหรือว่าเป็นอันึเนี่ยเคยถูกพ่อตกมาแล้วเหตุการณ์นั้นวันนั้นเป็นยังไงบ้าง เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็คือคือต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อเนี่ยมีภรรยาหลายคนแต่เขาจะคบทีละคนเขาเขาจะไม่แบบว่าเอามาเหมือนแบบมงกุฎดอกส้มอยู่บ้านหลังเดียวกันพร้อมกันไม่ใช่ทีละคนทีละคนแล้วเขาก็จะดูเขาก็จะดูแลลูกทุกคนคือถ้าใครมาอยู่กับเขาอะไรก็เขาเขาดูแลหมดอืพอจนมาเมียคนที่สองก็ด้วยความว่าช่วงนั้นเขาเริ่มเป็นเท้าแก่ใหญ่แล้ว เออก็แบบเหมือนแบบว่าฉันเป็นเบอร์หนึ่งในตองอูจากตอนแรกตอนเด็กๆที่ต้องนอนห้องแคบๆกินเกาเหลาพร้อมข้าวแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นเท้าแก่ใหญ่แล่ใช่เขาเริ่มเป็นเท้าแก่ใหญ่แล้มีบริวารคือง่ายๆเป็นซีอแล้วว่าใช่ก็คือเริ่มจากมอไซค์ก่อนมอไซค์ผู้หญิงเขาเล็กๆแล้วก็กระโดดมาเป็นเบนซ์เลยน่ะดังนั้นมันก็ไม่แปลกอืที่จะมีผู้หญิงเข้ามาใช่แล้วก็คือพอเขามาเขาอย่างนี้ปุ๊บแล้วภรรยาคนที่2ก็อายุไม่ได้ต่างกับเรา มากอะไรเงี m, ้ยคือตอนที่ป้ากับแม่เลิกกันเนี่ยน้องไปอยู่กับแม่ทั้งหมด<ช>แล้วเราตัดสินใจว่าจะอยู่กับป้า ใ, <ช>ในวันนั้นทําไมถึงตัดสินใจว่าจะอยู่กับป้าเออณโมเมนต์นั้นเราเร า, เราก็แค่แค่ศารถามเพราะว่าต้องขึ้นศาลเนี่ยนะเพรต้องรับรองบุตรต่างอ m, ตางอย่าเงี้ยคือด้วยโมเมนต์นั้นเราสาราเด็กมากเจอสารถามแล้วอยู่กับป้า ก็คแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นบอกอยู่กับปา้าแล้วก็แต่ในมุมมุมหนึ่งมุมมุมหนึ่งที่ได้ยินจากคนอื่นเล่าอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าแม่เราพยายามแบบว่าจใจเราอยู่กับปา้าไม่อยากให้เป็นลำบากอ๋อเพราะถ้าไปกับแม่เราจะลำบากแต่เราก็ได้ยินจากแม่เราเพราะเราเคยทะเลาะกับแม่เราไงแม่เราบอก ก็ลือเป็นคนพูดเองเที่เสียว่าจะอยู่กับป้าซึ่งมันก็เลยทําให้เราสับสนแต่สุดท้ายแล้วเขาไปอยู่กับาม่งไงเพราะาไปอยู่กับป้าป้าก็ให้ไปอยู่กับาม่าใช่แล้วเขาก็เราตัวก็จะมาเจอภรรยาคที่สองของพ่ อ, อของป้าก็แบบเจอเจอจนบางครั้งเราแบบมันมีประเด็นบางอย่างซัมติงของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดอกูอยู่คนเดียวแล้ ว, ลวยังอย่างนี้อีกเหรอทําไ ม, มทําไมอยู่ไม่เบรคออนความสําคัญว่าใชก็ลูกนะเว้ยแบบใช่สิ ไม่ใช่เมียป้าคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้นี่เขาแต่พูดอ่ะกลางร้านตัดผมซึ่งเขากําลังตัดผมอยู่อเราก็เลยรู้สึกว่าน้วันนี้นะเราก็รู้สึกว่าเขาคงแบบไม่แฮปปี้อะไรเขาก็เลยเรียกว่ามึงเข้าบ้านเออคือป้ากําลังตัดผมอยู่แล้วก็เข้าไปมีปากมีเสียงกันใช่แล้วก็เราก็พูดขึ้นมากลางตัดผมใช่สิไม่ใช่เมียคนนั้นคนนี้นี่ป้าบอกงั้นกลับเข้าบ้านใช่แล้วกลับเข้าบ้านเสร็จปุ๊บแัวอืขอืว พวเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบเราคุณรองให้สิเพราะเราไม่เคยโดนตอนนั้นที่อายุเท่าไหร่สิบกว่าเองสิบกว่าคือต้องเข้าใจตอนรู้สึกว่าโมเมนต์นี้เนี่ยเด็กอายุสิบกว่าแล้วผ่านการเลิกลาของพ่อแม่คิดว่าจะได้อยู่กับพ่อแล้วไปอยู่กับอา玛ใช่แล้วพอท้ายที่สุด พ่อมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งอายุเท่าๆกับเราลองคิดถ้าเป็นเราอะอเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่แล้วนะใช่คือเมื่อคือภรรยาคนที่สองก็ห่างจากเราไม่ได้เยอะไนะงคือเขาก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วนะแต่เรายังเราเคยได้ยินหลายเคสมากว่าถ้าเกิดว่าพ่อมีภรรยาอีกแล้วอายุเท่าๆกับลูกอะจะเป็นปัญหาแบบ ถึงขั้นตกมาแล้วหลายลายมากอันนี้เคยเห็นกับเพื่อนของตัวเองเลยนะอืมแต่ออในโมเมนต์ที่เราดีๆกับภรราคนที่สองก็มีนะก็โดนผัดโนตบปุ๊บมันก็เป็นเรื่องฝั่งใจเราเลยนะ เ, ออเป็นเรื่องฝั่งใจหรอกว่าแล้วก็พูดกับในใจเลยอะตกกูได้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละพูดกับตัวเองหรือพูดกับปาพูดกับตัวเองร้ อ, องไห้ป้าตกถึงทําไมอะอืมแล้วปาพูดว่างไงปามึงแล้วเราก็ลองให้เแต่เราก็พูดอะ ตบกูได้แค่ครั้งเดียวนั่นแหละอืจนแบบเรื่องมันไปพอมันผ่านไปจนเขามีลูกหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วสุดท้ายมันก็มีโมเมนต์ที่เราอะตบเขาคืนเนี่ยเนี่ยจะทะเลาะกันแล้บอกหยุดจะทะเลาะกันไปแะเลาะกันอีกอีกจะมาเอ็งจะทําไมนเนี่ยพอเองพอมึงจะทําไมปุ๊บงานไหมนี่เดี๋ยวก่อนเนี้ยเขาบอกเองจะทําไมเออเนี่ยบอกจะทําอะไรก็ได้แต่อย่าไปโดนตัวอืม ทำไมคู่ดูมึงขั้งแต่ตีนเน่าซะายงีนี้แล้วก็ผักอาผักเราก่อนใชผักปุ๊บแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วป้าปาก็เฮ้ยหนึ่งมึงหยุดแล้วก็เอี่ยวแแล้วนางก็เดินไม่ได้เรารู้สึกว่าวันนั้ น, น่ะที่ที่เราแบบปาบเข้าไปเนี่ยถ้าวันนี้ย้อนกลับไปได้จะทำแบบเดิมอีกไหมก็คงทำอื ม, อม เรารู้สึกว่าทําไมเราเรารู้สึกว่าเราย้อนกลับไปได้ก็จะทําเพราะว่าเราเป็นคนไม่เคยทําใครก่อนอเฮียคิดว่าจริงๆแล้วการที่คนจะตบหรือลงไม้ลงมือเนี่ยมันน่าจะเป็นการสะสมของอารมณ์ไหมเฮีย <P ew are> รู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นการเปิ <P ew are> ดก๊อฟในความใจร้อนของเราอะ่ะเราเป็นคนอดทนเก่งอ่าในคือเราเป็นคนขึ้นสุดลงสุดเอคือเราจะเป็นคนอดทนเก่งแเราคือทําทําไม่สุดจริงๆอ่ะไม่เพราะว่า ในขณะที่เราโดนเขาผักในขณะที่เราต้องมาทนมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่เขามาทะเลาะกันแล้วเจ อ, อแล้วเราเจอคือมันมีหลายหลายครั้งแล้วพ่อมันก็จะย้อนกลับมาว่าแบบเฮ้ยตอนลูกสามคนของเมียคนที่สองจะคลอดลูกคือเราป้ามายืมเงินเราไ ป, ปไปคลอดแล้วป á, ้าเมาแล้วเราแบบต้องเป็นคนพาภรรยากูที่สองไปคลอดลูกอย่างเงี้ย บางทีเขาทะเลาะกันแล้วก็ลูกไม่อยู่ลูกอยู่บ้านคนเดียวแล้วยังขันเตะแตะเตะตกเ ต, ตียงเรากลับมาแล้วเจอบอดีอะไรดังนั้นรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เฮียได้สัมผัสคนเดียวรู <ๆ S 2> ้สึกว่าคนในประเทศไทยซึ่งมีเรทการหย่าร้างสูง ม, มากเนี่ยเด็กหลายๆคนจะต้องเจอแล้ววันนี้เด็กเหล่านั้นที่มาเป็นผู้ใหญ่อะบางทีมันเป็นปมอยู่ในใจเนาะมองย้อนกลับไปทางก้อนเนี่ยเฮียรู้สึกว่า ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเอาผลักก่อนดีกว่ามันผลักดันให้เราเป็นคนยังไงมันผลักดันให้เราเป็นคนรู้ทันหลายๆสถานการณ์ในขณะที่คนรุ่นเดียวกันเราอาจจะไม่คิดถึงแล้วการที่บอกว่าทําให้เรารู้ทันในขณะที่คนในรุ่นเดียวกันไม่รู้ทันเนี่ย มีตัวอย่างหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยเขาอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์อใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะเจอแต่เรื่องไม่มี<ด>วัคซีนใช่แต่ของเรามันแบบว่าบางที่แบรู้ละมาอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ย เ, เดี๋ยวต้องทะเลาอกกันแน่เลยเรา <Hey. S 2> การู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไงเข้าใจมากมป่ะคือคนที่เกิดมาในครอบครัวดีๆอะเวลาเจออะไรที่ไม่ดีเข้ามาคือไม่มีวัคซีนเหมือนไม่มีคนมาเตือนก่อนแต่ถ้ามันเป็นการมองโลกในแง่ดีเหมือนกันนะว่า ขอบคุณเรื่องไร้เหมือนกัน<ช>นะที่ทำให้วันนี้ฉันมีวัคซีน<ช>เราจะตั้งหมายเซตของเราเลยว่าถ้าฉันเรียนแล้วฉันไม่ลำบากใครใครก็ว่าฉันไม่ได้เพราะฉันหายอีกพูดง่ายๆไม่อยากยุ่งมะไม่อยากแบบติดค้างหรืออะไรเงี้ยคืออยากดูแลเองไม่ไ ม, <ล> ไ, มไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อยากติดค้างมันเคยมีกรณีที่เราจะเรียนแฟชั่นครั้งแรกแล้วเราบอกป๊าจะเรียนแฟชั่นเรียนทำไมเรียนแฟชั่น ทำไมไม่ขายโรงือมอกว่าเราอยากเรียนอบอกไม่ต้องเรียนออกมาขายลรงเลยบอกไม่เราอยากเรียนเพราะเราหาที่ทางไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าอยากเรียนต้องหาเองเราบอกอ๋อได้อันนี้ดิฉันเข้าใจเข้าใจความรู้สึกคือตราบใดคือบ้านคนจีนนะมไม่รู้บ้านคนไทยเป็นยังเป่าเราตรงมาในบ้านคนจีนเหมือนกันตราบใดที่อยู่รับเงินป้าแม่ อ, มอยู่อยู่ต้องทําตามที่เขาต้องการนะ มันเหมือนเป็นค่าจ้างเนาะใช่มันเหมือนเป็นค่าจ้างแต่ว่าในวันที่อยู่ออกมาทํางานเองได้ยูทำเรายูทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาว่าเราไม่ได้แล้วประโยคเนี้ที่ว่าฉันเป็นคนส่งเขาว่าอะไรไม่ได้ดังนั้นเราเลือกที่จะใช่หาเงินแล้วก็เราสามารถที่จะเรียนอย่างที่เราชอบใช่แต่แต่ก็พอไปเรียนปุ๊บช่วงนะั้นเราไป่ได้ทุนเชลิตติ้งของมอรังสิตแล้วมันเปิดแฟชั่นปีแรกของมอเอกชน แล้วก็เข้าไปแล้วเราซ้อมไปกับรังสิตพารามสองทุกวันนั่งอะไรซีทุกวันรังสิทตพา ร, รามสองไกลมากทุกวั น, น, วนโอเคเดี๋ยพูดถึงสิ่งที่ประสบการณ์ตอ น, นเด็กๆเนี่ยผลักให้เราเป็นคนที่ตามคนทันผลักให้เรารู้จักหาเงินด้วยตัวเองเพราะเราอยากจะได้ทําในใ<ช>สิ่งที่เราอยากทำดีซี่ตแต่ว่าสิ่งที่มันดึงเราไว้ล่ะ เรารู้สึกว่าเราไปได้อีกแต่เรารู้สึกติดเรื่องนี้จังเลยอะ่ะมีก็จะรู้สึกว่าบางครั้งอยากจะทําอะไรแล้วมันไม่มีแรงหนุนอ่ไม่มีเฉพาะไม่มีแรงหนุนไม่รู้จะลม้มลงไปที่หมอนใบไหนใช่เหมือนที่คนอื่นมีใช่มันได้แต่คิดว่ากูต้องรอดอืมคือถ้าคิดในเชิงบวกเชิงบวกสําหรับกูต้องรอดมันโอเคอืมแต่บางครั้งอะมันมีเรื่องที่มันไม่รอดก็มีอืมแต่มันไม่รู้มันจะ ลงไปพิงใครอ่ะ อ, ออมันก็เลยต้องทําให้ตัวเองเจ็บตัวน้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนเฮียเป็นคนรอบคอบเพราะว่าจะต้องดูแลตัวเองมาโดยตลอดแต่เฮีย er ก็เริ่มเข้ามาสู่แวดวงแห่งการประกวดแข่งขันใช่แล้วมิสเอซิดีซก็เป็นตําแหน่งแรกหรือเปล <ะ S 2> ่าคะตำแหน่งแรกมีชีวิตเวลาที่เฮียมองการประกวดเอซ c ก่อนนะแล้วเฮียรู้สึกว่าฉันต้องทํายังไงถึงจะชนะเพราะเราดูปีหน่ง แล้วก็นั่งคิดแล้วเราก็เฮ้ยแม่งถ้าเราไปอยู่บนนั้นแล้วเราได้ประเทศนี้เราจะทําแบบนี้วะคือวิธีการนะคือสิ่งที่บอลกําลังกระเจาะจากเฮียเนี่ยก็คือว่าเฮียบป็คนที่แข่งเก่งอก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเฮียวิเคราะห์ว่าจะชนะเกมนี้ต้องยังไงเพราะนี่ก็เป็นนี่ก็ประกวดแข่งขันมาตั้งแต่เด็กเราก็มีวิธีการวิเคราะห์ก็เลยอยากรู้ว่าเฮียวิเคราะห์ยังไงหนึ่งการตั้งคําถามว่าอืมถ้าเป็นฉันฉันจะทํำยังไงอันนี้ก่อนตั้งคําถามก่อนแล้วยังไงต่อ ใช่แล้วก็เป็นฉั น, ฉนทำไงพอฉันปุ๊บคิดปุ๊บแล้วเราด้วยความที่เราเป็นเชลิดิ้งมามเราจะถูกสอนให้ทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกอยู่ในสองนาทีครึ่งอเพราะมันใช้เวลาแข่งแค่นั้นแล้วก็ทากอย่างมันก็ถูกพอทำแล้วมันต้องวาวต้องไม่เคยเห็นต้องแตกต่างจากคนอื่นต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็ดูว่าข้อด้อยของตัวเองมันจะเป็นจุดเด่นได้ยังไง ข้อด้อยของตัวเองจ ะ, จะเป็นจุดเด่ น, ดดนได้ยังไงประกวด Miss ACDC ประกวดแบล็กเว e ชนะทั้งคู่ก็เลยถามถึงเคล็ดลับว่าวิธีการเวลาที่เรามองขึ้นไปว่าโอ้มีการประกวดอันนี้ฉันจะทำยังไงให้ชนะก่อนอื่นต้องไปดูก่อนใช่ดูปุ๊บวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นฉัน<ช>ฉันจะทำยังไงใช่วิเคราะห์แล้วก็อ่าตัวตวนทีน่เจอแล้วก็ดูว่าเรามีข้อด้อยอะไรเรามีจุดเด่นอะไรเฮียคิดว่าจุดเด่นของเฮียคืออะไร ก็คือความมั่นหน้าแล้วก็ความคิดเร็วกคนอื่นัวสมองเราถูกคิดโดยอัตโนมัติความคิดเร็วขว่คนอื่นการที่เราชอบคิดว่าเราชอบมองแล้วก็สร้างเกมว่าแบบถ้ามีคนอื่นทำแบบนี้ปุ๊บเราต้องไม่เหมือนอเพราะเราต้องการเป็นจุดเด่นแล้วจุดด้อยของเราคืออะไรจุดด้อยของเราก็ก็น่าจะมีในในเรื่องของเราเป็นคนใจร้อนอแล้วแบบสรีระบางทีมันก็ไม่ได้เอื้ออานวยต่อการแข่งขันมากนะักแล้วเราก็จะดูว่าแบบ ยังไงวะเช่นสมมติว่าตอนประกวดเอซิเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นเชียริ่งดิงมาในเอซิดีซีไม่เคยมีชุดประจำชาติจาก USA เป็นเชียริ่งดิงคำ ว, ว่าอเมริกันเชียร์จึงเข้าหัวสมองเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ามาปุ๊บเฮ้ชุดตัวยูตัวยูว ย, ยู่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เราไม่ได้สายสวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือใหญ่บึ้มเพื่อขอโมยซีนอืแล้ว จริงๆมันต้องมีต่อจากเราคือเวเนซวเลากับเวียดนามแล้วบังเอิญว่าแคา c a n c ไปพอดีเลยเดินเป็นคนสุดท้ายเราก็เลยมาในชุดเหมือนแบบจอนกาเลโนมีคอเส็จรัดสีชมพูชอบทิ้งๆแล้วก็สุ่มบานไปขตรนมถ้วยฟู uh huh. ไล่สีระดับพอทําเสร็จถึงมาดูเอา้าฉันเออดีออาก็เป็นอย่างนี้หรออะไรเงี uh ้ย huh. แล้วก็ทําแบบใหญ่คือใช้ผ้าเป็นร้อยเมตร์นะ uh huh. แล้วก็เดินมาเพื่อที่จะเอาแบบฉาปุ๊บแล้วก็ยืน นั่นคือตอนที่ได้ Miss A C D C ่ต้องพูดอีกี่ครั้งถึงจะถูกนะคะเอ่อเล่นใหญ่คือเอาเป็นว่าเฮียแข่งเก่งจนกระทั่งมาวันหนึ่งเฮ้ยแรก a c e Thailand มาแล้วเราก็ไปก็เป็นคนแก่สุดในการแข่งขันเราก็ต้องไปคำนวณแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่ยังไงการที่เียแฮชแทกทีมคนแก่มันก็มีนัยยะไหมก็มีนัยยะนะคือถ้า สามสิบเราไม่ได้อยู่ทีมคนแก่นี่ผิดนะมันเป็นสิ่งที่คนเราทั่วไปอะสามารถที่จะเรียนรู้<ช>จากเงียได้นะคือมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่อยากจะเป็นคนพนัก ง, งานคนหนึ่งทั่วๆไปอยู่ก็ไม่ต้องคิดแข่งขันก<ช>ับใครก็ทําตัวธรรมาดาแต่อยากถูกโปรโมทอือยากขึ้นไปอีกอยากขึ้นไ ป, <ช>ไปอีกมันต้องเด่นวิธีการคิดอย่างนี้จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นวิธีการคิดของการเป็นผู้ประกอบการ อ, อืการเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่แล้วเรนมันมี8ป ep decades อะ ก่อนที่จะกดแดกเรสเนี่ยเราคิดอยู่แล้วว่าเราจะมากลับประกวดแดกเรสเนี่ยเพราะเราเคยเป็นแดกควีนมาแต่พี่หนึ่งอสองคือการรีแบนตัวเอง อ, อยากจะเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรอยากจะเปลี่ยนจากที่คนรู้จัก a c ซ c ในยุคที่ไม่มี Facebook กนาตาเลียเพคแฮมในยุคที่ไม่มี Facebook มาเป็นนาตาเลียเพคแฮมในยุคที่มันมี Facebook แล้วกดซุบแล้วแตกาจา เราเริ่มอยากมีความมั่นคงล่ะแล้วเราคิดว่าเราอยากทำในการบันเทิงเราอยากอยู่หน้าเซ็เราอยากเป็นคีออที่บอะไรเงี้ยดังนั้นอย่างที่เฮียพูดว่าเฮียไม่ได้คิดแค่ว่าจะทำไงให้ช น, นะชแต่คิดแล้วว่าก่อนระหว่างและหลังจากการที่ประกวดเสร็จเนี่ยมีทางอะไรจะได้อะไรบ้างการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะประกวดนั่นนี่นู่ น, นเนี่ย มันเป็นการสะท้อนว่าเราพยายามที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ด้วยส่วนหนึ่งพิสูจน์พิสูจน์ในความต้องการของเราว่าณเวลานี้เรายังทำแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการพิสูจน์แล้วเนี่ยมันคือการที่เราตั้งเป้าในสิ่งที่เรายังไม่เคยได้ในยุคปัจจุบันและยุคอนาคตดังนั้นการประกวดทั้งสองเวทีที่เฮียได้ตาแหน่งมาเนี่ยเฮียรู้สึกว่ามัน มันสะท้อนอะไรในตัวเราบ้างความเป็นนาตาลีเพียลแคมทั้งสองเวทีอะเป็นนักสู้เป็นนักคิดทุกอย่างคิดแบบเป็นระบบตอนที่เฮียพูดว่านาตาลีเพียลแคมเป็นนักสู้เราคิดว่าเราสู้กับใครอันดับแรกเลยสู้กับตัวเองก่อนอืสู้กับตัวเองในการที่จะเดินในสิ่งที่เราต้องการอันดับสองสู้กับคนที่มองเราในด้านลบ ซึ่งมีอยู่แล้วในชีวิตทุกคนในในสังคมโลกใบนี้มีอยู่แล้วถ้าคุณมีไม่มีคนที่มองเราด้านลบแปลว่าคุณไม่มีชีวิตใช่ใช่ทุกคนต้องมีใช่คือมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนบนโลกนี้เออแล้วเนี่ยข้ามพ้นคนเหล่านั้นยังไงก็ทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้คนที่พูดแล้วคิดด้านลบกับเราด้านลบจากเราถ้าสมมติว่าเขาพูดแล้วเขาทําได้อเราซุกฮกเขาทันทีเลยนะแต่ถ้าพูด แล้วทําไม่ได้ก็จะมีสิทธิ์พูดได้แค่ครั้งเดียวได้ยินซ้ําคําเนี้คําว่าเธอจะมีสิทธิ์แค่ครั้งเดียวเมื่อเบรกแรกๆตอนที่พ่อตกอวันนี้เบรกเกือบสุดท้ายได้ยินอีกครั้งหนึ่งว่าเธอมีสิทธิ์ทําได้ครั้งเดียวตอนมีความรู้สึกว่าเฮียใช้แรงตรงเนี้ยแทนที่คนอื่นจะเอาไปสัมบัลเลมาแต่เฮียใช้แรงตรงนี้นกลายเป็นแรงขับให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคุยกันมาสี่ห้าเบรกเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่า เเป็นคนที่สามารถแปลงพลังลบแล้วเอาพลังตรงนี้ที่คนอื่นอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ดาร์กหรืออะไรก็แล้วแต่การมาเป็นว่าพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆประสบการณ์ชีวิตที่ เอาจริงๆก็ไม่ได้เรียบของเฮียเนี่ยหล่อลอมให้เฮียเป็นคนที่แบบกระดูกสันหลังแข็งแรงองเพราไม่มีที่จะล้มไงก็ต้องนั่งอ่ะก็ต้องแข็งแรงพอตัวเองแข็งแรงปุ๊บสามารถที่จะไปแชร์กับน้องที่เฮียรู้สึกว่าเหมือนเราตอนเด็กๆอ่ะมีคนตายมากว่าทำไม่ได้อ่ะปุ๊บจัดเต็มเลยจ่ะสองอาชีเหมือนเฮียในวันที่แจ๊บบอกเนี่ยมันก็จะวนกลับไปอีกว่ามันจะไปแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละอืมันก็จะวนกลับไปอยู่คํานี้ซึ่ง คํานี้อีกแล้วซึ่งปอลรู้สึกบ<ช>้างหรือเปล่าการที่เฮียพูดว่ามันจะเป็นแค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าเฮียจะทําบางสิ่งบางอย่างให้มันไม่เกิดขึ้นอีกใช่ถ้ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเราจะไม่ผิดพลาดอีกเห็นไหมเราจะไม่เสียใจอีกเราจะไม่เราจะไม่พลาดอีกเราจะไม่หลงอีกถ้าเราในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดีเราไม่ต้องการเสียใจซ้ำสองชอบตรงนี้มันรู้สึกแบบมันรู้สึกว่าหลายๆคนเวลาที่โดนอะไร แล้วก็จมกับความทุกข์ความเศร้าทําไมทําอย่างนี้กับฉันแจก๊กทิชชู่ห้คนที่แบบว่าเสียใจบ่อยๆอแล้วมีคนปลอบยังไม่น่าสงสารเท่ากับคนที่เสียใจแล้วไม่มีคนปลอบอแล้วต้องเสียใจกับตัวเองเสียใจกับเงาตัวเองแล้วก็จะทบทวนกับตัวเองว่าแล้วฉันจะไม่เป็นอีกมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวใช่มันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแม้กระทั่งแบบว่าเคยทะเลาะต่อหน้าปาร์ี้ยเล่า ก, กันใจแทงตัวเอง จริงหรอป่าจริงเอาการ์ดแทงตัวเองเพราะอะไรในวันนั้นโมโหเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะแล้วแบบเราพลาดสิ่งหนึ่งทำไงตอนนี้เหลือแต่ชีวิตอะเอาไหมาอยากได้เอาไปเลยพีคพีเราไม่เข้าอาา้าวใส่คะอะไรพูดไม่เข้าแต่ตรงนี้คือทำหมดเลยเพราะเราอย่างนี้หมดเลยปักลืนอย่างเงี้ยพอใจยั่งเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอาไปว่าวันนี้นั่งอยู่เป็นคนที่พูดจารู้เรื่องเนี่ยก็เก่งแล้วนะกับสิ่งที่เคยโดนมาทุกอย่างที่ผ่านมาถ้าไม่ดีมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวดังนั้นสำหรับวันนี้นะที่พนคุยกับเฮียมานะคำว่าน a ตาลีเพย์แคมอ่ะคือคำว่าพัฒนาตัวเองมันชัดเจนมากเลยไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่บางคนครอบครัวดีมากเลยนะแต่ว่าจะฆ่าตัวตายค่ะเพราะแฟนทิ้งเดี๋ยวเคยเอาโมโหพ่อถึงขั้นเอากันไกแทงตัวเองไหมเคยโดนข้อตบไหม เคยโดนอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาโดนมาไหมหนักกว่านี้ก็มีคนที่ดู เ, เราอยู่เป็นหนักกว่าเฮียก็มีแต่เขาไม่เป็นอะเพราะว่าเขามีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งคุณไม่ผิดหรอกที่คุณจะมีวิธีคิดแบบที่คุณเป็นอยู่แต่ถ้าคุณต้องการชีวิตที่แตกต่างออกไปคุณต้องเปลี่ยนบางคนมองว่าการเปลี่ยนมันเรื่องยากแต่จริงๆมันใช่งี้นะแล้วข้างในบอกเปลี่ยนก็นนดูสันหลังแข็งแรงมาก <c oughs> แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วปอนรู้สึกว่าคนที่มีทัศนคติแบบนี้ไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็ชนะวันนี้ขอบคุณเฮนรีแคมนะคะที่มาอยู่กับปอนอาคอบเซนค่ะขอบคุณค่ะ